ก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะขอแนะนำคณะทาญาติโยมรู้เรื่องของศีลก่อนเพราะว่าผู้สูงอายุหรือผู้ได้รับการศึกษาหรือเคยบวชเรียนเขียนอ่านมาแล้วก็ไม่มีปัญหาแต่ลูกหลานของพวกเราที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังถ้าหากว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินได้ฟัง ผูแนแแะแนวรบพูดชี้นําให้แก่ลูกหลานลูกหลานก็คงจะไม่ซึงในศินทําไมมีสาเจ้พิธีในที่ต่างๆไม่ว่าอยู่น่าสถานที่ใดก่อนที่จะเริ่มมีพิ ธ, ธีกรรมก็ต้องไหว้พระแล้วก็รับศินก่อนสมาทานสินก่อนในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้น ก่อนที่จะรับสินอาตมาภาพขอแนะนำหรือบุบอกกล่าวถ้าท่านผู้รู้แล้วก็ไม่มีปัญหาเพราะรู้แล้วมีแต่ปฏิบัติตามแต่ผู้ที่ยังไม่รู้คงจะมีอยู่เพราะมีหลายคนเพราะนั้นอาตมาภาพขอแนะนาเรื่องของศินอันดับแรกนะโมตัสสะ ลงพ่อจะเป็นผู้กล่าวว่นานโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบางท่านก็ยังไม่รู้ว่าทำไมจึงว่านามโมนมโมนว่าอะไรแปลว่าอะไรนมโมในทำรรคำสอนหรือพระบาลีท่านก่อนที่จะรับสิลงหรือทำพิธีกรรมท่านให้นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนว<ะ>่นานโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ถ้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคือน้โมสามจบคือนอบน้อมพระพุทธเจ้าที่เป็นต้นศาสดาต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นความคิดเรื่องพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าจากนั้นกพททานา็พุทธทางทำมังสังขังสระนังคัตฉามิโนติยมปิพุทธทางทำมังสังขังตาติยมปิพุทธทางทำมังสังขังสระนางังคัตฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสาระเป็นที่พึ่งขอถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระเป็นที่พึ่งแล้วก็ยืนยันถึงสามครั้งรุติตาติทําไมจึงเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพราะพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบราด้วยพระองค์เองก่อนแล้วจึงได้ตัดเวขาเทศนาเรลขาในบัญญัติพระธรรมเรื่อได้กล่าวหรือแนะนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นหลักเหตุผลเป็นสวาขาตธรรมตัตดไว้ชอบถ้าหากว่าผู้ใดนํามาประพฤติปฏิบัติผู้นั้นจะได้รับแต่ความสุขความเย็นใจในตัวเองเ อ, อ, อยู่ในกลุ่มหมู่คณะประเทศชาติในโลกยุคใดถ้าหาว่าปฏิบัติตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วในยุคนั้นจะมีความร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ถ้ า, าว่าผู้ใดกลุ่มใดยุคใด ขันหลังให้พระธรรมคําสอนที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว์ถึงจะไม่เจตนาขันหลังให้ก็เถิดแต่ว่าดูแล้วมันผิดจากธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายในยุคนั้นสมัยนั้นอันนี้คือธรรมคาสอนพระสงฆ์ตาติยามปิในสังฆังสังฆังคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า ท่านเป็นผู้ปฏิปฏบัติดีปฏิบัติชอบแล้วนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาประกาศมา mm hmm. เผยแพร่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษา mm hmm. เมื่อเราได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าว่าพระสงฆ์ไม่นําพระธรรมคําสอนมาบอกกล่าวให้แก่พวกเราพวกเราก็คงไม่รู้พระธรรมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ เป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนี่แหละที่จะได้กล่าวจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศินปาณาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปัทังสมาติยามิข้าพรเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นถ้าฆ่าคนอื่นก็ไม่มีอะไรเพราะเราฆ่าคนอื่นแต่เขามาฆ่าเรา ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าวงศาคณาญาติของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติศินข้อที่หนึ่งอย่าฆ่ากันแต่ฆ่ากันแล้วมีแต่ความทุกข์มีแต่ความไม่สบายใจถ้ า, าว่าจากนั้นก็เกิดเวรภัยจองร่างจองผ่านซึ่งกันและกันอันนี้คือศินข้อที่หนึ่งข้อที่สอง อธินาธานาเวรมรณีอย่าขโมยคนอื่นเขาถ้าเราไปขโมยของเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาขโมยของเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันคาว่าขโมยคำนี้มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าขโมยรองเท้าเท่านั้นเออขโมยสิของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นขโมยพ่อขโมยแม่ขโมยลูกหลานของเขาไปเรียกค่าไถ่ก็จัดว่าเป็นขโมยเหมือนกันเดือดร้อนไหมอขาดขโมย มันไม่ใช่ไม่เป็นผลดีสําหรับพวกเราอยู่ด้วยกันในชุมชนอยู่ในกลุ่มประเทศชาติเดียวกันขโมยของกันเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีนข้อที่สองอยา่าขโมยกันถ้าว่าไม่ขโมยกันดีไหมพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะว่าดีนะ เ, เพราะมันจะได้สงบร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าการขาโมยกันมากๆมีขโมยมากๆเป็นยังไงเดือดร้อนไหมไ อ, อ้อันนี้ก็ พวกเราก็ต้องยอมรับว่าเดือดร้อนแน่นอ น, นข้อที่สามกาเมสุมิชชาจาราวรมานีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสัง์หวนหวงแห็นของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสีย อ, อกเสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะก็เช่นเดียวกันค่อยนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินข้อที่สามให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันเพราะต่างคนก็ต่างมีวงศาคณาญาลูกหลานถ้าหากว่าพวกเรา ไม่มีศีลข้อนี้ต่างคนก็ต่างระแวงแคลงใจกันพิษภัยก็จะเกิดขึ้นในชุมชนสังคมไม่ใช่น้อยเหมือนกันเพราะนั้นศีลข้อนี้ก็เป็นศีลอันตรายอีกเหมือนกันศีลข้อที่สี่มุสาวาทาเว ร, รมณีย่ากโกหกต้มตุลหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าหาว่าเขามาต้มตุลหลอกลวงเราเรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปต้มตุลหลอกลวงคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไระ น, นั้นขอให พวกเราคิดดูให้ดีกัน แ, แล้วกันว่าการต้มตุนหลอกลวงมีมากเหลือเกินในยุคสมัยนีเ้เพราะว่ายุคไฮเทคน ะ, ะสมัยก่อนก็ค่อยยังชั่วการคมนาคมและการสื่อสารต่างๆก็ไม่เท่าไหร่แต่ยุคสมัยนี้ เ, เล่ห์เหลี่ยมในการโกหกพกลมเยอะเหลือเกินถ้าหากว่าพวกเราไม่มีศินข้อนี้มักเข้ามาประครับประครองเข้ามาคุ้มครองพวกเราก็คงจะเดือดร้อน อ, อีก มากทีเดียวอันนี้คือศีลโมกษาศีลข้อสุรามีระยะมัชะประมา ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราคือคนดื่มเหล้าดื่มเบียรดื่มเเสพคัญยาคัญชายาฝิ่นยาบ้ายาม마ทุกวันได้มีมากเพราะโรคมันเจริญโคโคงโคเกณฑ์จะเข้าเป็นพวกสุราทั้งหมดคือของหมึนเหมือนเมาพอดื่มพอดื่มแล้วเสบเข้าไปแล้ว ทำให้ขาดสติคนขาดสติทำความชั่วได้ทุกอย่างเพราะขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าคนเป็นบ้าเป็นยังไงคนขาดสติจะทำความชั่วเสียหายไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรเพราะฉะนั้นพูดที่คนคนดื่มสุราเป็นบุคคลที่น่ากลัวมากคนขาดสติทำความชั่วได้ทุกอย่างสินข้อที่หนึ่งก็ขาดกระจุยฆ่าใครก็ได้ ข้อที่สองขโมยใครก็ได้ข้อที่สาม ล, ลาลาบระล้วงลูกหลานสามีภรรยาของใครก็ได้ข้อที่สมุสาโกหกไข่ก็ได้พราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้านี่เป็นศินอันตรายข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศินให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นคนโบราณหรือว่าบรรพบุรุษของพวกเราจึงยื่นเชิดชูบูชาศินของพระพุทธเจ้าเลิศถ้าว่าเรานํามาวิเคราะห์ นำมาพิจารณาไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วเพราะนั้นเวลาจะไหว้พระหรือว่าจะมีพิธีกรรมใดๆก็ตามคนโบราณครูบาอาจารย์ท่านจึงให้ไหว้พระและก็สมาทานศีลก่อนอย่างน้อยก็เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจของเราอย่าให้ลุ่ ม, ลมหลงมัวเมาจนเกินไปถึงจะรักษาศีลมีเวลาน้อยช่วช้างกระทบหูช่วงงูแลบดินก็ยังเป็นศีลทนวนนั้นนะ ขณะที่รับสินก็คงจะไม่ได้ทําอะไรนะคงจะยังโกหกยังไม่ได้ก็เป็นสินดูหนึ่งนาทีสองนาทีเป็นชั่วโมงก็คงจะขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นท่านจึงให้รับสินเพราะนั้นคณะสัตย า, า, าติโยมในวันนี้ไหว้พระเสร็จแล้วก็ได้กราบมรัดนานสินอาตมาภาพได้ชี้แจงเรื่องศินให้แก่สัตย า, าติโยมได้ฟังเป็นแนวทางแล้วตอนน่อไปจะอาตมาภาพจะเป็นผู้พานา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 เอวังมัจจานชีวิตังวันนี้คณะทายาโิโยมครูบาอาจารย์พระสงฆ์ได้มาร่วมงานของคุณแม่พิมพาคุณแม่ชีพิมพาวงสาอุดมเป็นจำนวนมากรถรู้สึกว่าจอดเต็มไปหมด คุณแม่ของพวกเราคุณแม่ทิมพาของพวกเราเป็นแม่ชีที่น่าเคารพนับถือถึงจะเป็นแม่ชีกับพวกเราก็กราบไหว้ด้วยความสนิทใจได้เพราะท่านมีคุณธรรมใน จ, ใจิตใจเนี่ยประวัติของคุณแม่ทิมพาวงสาวอุดมคุณแม่เกิดวันพรหัสบดีเดือนสี่ปีชวดพศพุทธศักราช2455 ที่บ้านหนองกองอำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายบิดาชื่อบิดาของท่านชื่อหลีมารดาของท่านชื่อมาเออตายายฟังดูประวัติของคุณแม่นะมาจากปาจีนปาจีนบุรีนะแต่ฟังฟังดูแล้วในยุคสมัยนั้นบ้านเมืองคงจะไม่ปกติคงมีสงครามแย่งคนแย่งอำนาจกันมากทีเดียว ทำอ่านตามประวัติของคุณแม่ที่ท่านเขียนไว้แต่ท่านก็ไม่พูดในรายละเอียดนะแต่ดูๆแล้วก็คล้ายๆว่าแตกศึกละหกละเหินกันนะพูดอย่างนั้นนะแต่คุณแม่นับว่านับได้ว่าท่านมาเกิดแถบจังหวัดน้องคายของเราจากนั้นท่านก็ไปอยู่เวียงจันทร์สมัยเป็นเด็กอายุท่านก็แม่ของท่านก็จากไปแต่อายุอย่างน้อยมากนะ จากนั้นท่านก็อยู่กับตากับใจกับญาติพี่น้องจากนั้นท่านก็ได้บวชนะได้แต่งงานได้แต่งงานแล้วก็มีลูกคนหนึ่งแต่ก็อายุได้สี่เดือนท่านลูกของท่านก็ได้ตายตายก่อนจากนั้นท่านก็ได้ชวนาสามีของท่านยอดที่รักของท่านมั้งนั้นแหละชื่อคิมหรืออะไรนี่แหละ ข้ามประเทศมาจากเวียงจันทน์เข้ามาหนองคายจากนั้นก็ได้ไปหาแม่อยู่ที่อุดรเป็นแมช่ชีอยู่ที่วัดนนิเวศนะจากนั้นคุณแม่ของเราอายุ33ปียังไม่ยังไม่แก่นะใครว่ามีหัวก็เอาหน้าทีเดียวคือในใจของท่านคือท่านอยากจะบวชอยากปฏิบัติธรรมเป็นคนมีศรัทธา เป็นคนยินดีในการทำบุญทำทานในประวัติของท่านจากนั้นก็เป็นคนที่อดทนอย่างมากๆท่านมาอยู่ที่วัดโนนวนิเวศจากนั้นท่านก็ได้บวชเป็นชีนะสามีของท่านก็ได้บวชเป็นพระด่างคนก็ต่างมุ่งมั่นจากนั้นท่านก็ได้กลับไปอยู่เมืองประเทศลาวแล้วก็กลับมาเมืองไทยไปไปมามาแต่อุปชาตที่บวชท่านที่บวช คุณแม่ชีปิมพาที่บวชที่วัดนวลวิเวศนะชื่อหลวงปู่มหาทองสุขนะเป็นเจ้าอวาดวัดสุทาวาสก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นของเราเนี่แหละเป็นเจ้าวาดวั ด, าวาดนะป่ส า, ป า, า, ดดาสุทาวาสที่สุกลนครที่พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มันนะ่นคือวัดหลวงปู่มหาทองสุขนะคือก่อนที่หลวงปู่มหาทองสุขจะมาอยู่วัดนวลวิเวศก็เจ้าคุณธรรมเจดี เ, เจ้าวานวัดโที่สมพรเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณปู่ของเราเนี่ยนี่มนอาจารย์มหาทองสุขหลวงปู่มหาทองสุขมาจําพรรษาที่วัดโนนวิเวศคุณแม่เขเข้าจวบเหมาะในช่วงนั้นท่านก็ได้บวชแต่หลวงพ่อคิมสามีของท่านบวชที่วัดโที่สมพรรู้เจ้าคุณปู่เป็นพระ อ, อุปชาจากนั้นก็ท่านก็ได้กลับไปตะกลนนคร น, นะท่านเจ้าคุณขวัคุณแม่ปิมพาเนี่ยก็ได้มาไปข้ามไปประเทศลาวไปอยู่เวียงจันทร์ แล้วก็ไปไปมามาประเทศลาวแล้วก็มาประเทศไทยจนพศ 2,518 นะท่านได้งมาอยู่เข้ามากราบหลวงปู่เทศแต่ก่อนหน้านี้ท่านก็ไปไปมามาอยู่แต่ท่านก็หลวงปู่ของเราหลวงปู่เทพเทพรังสีของเราท่านก็อยู่จังหวัดภูเก็ตในช่วงนั้นท่านก็ขึ้นลงขึ้นไปไปมามาอยู่ในอีสานแต่จากนั้นมาหลวงปู่ เราก็ท่านก็มาจําพรรษาที่วัดหินมักเป้งคุณแม่พิมพ์พาของเราก็ได้เข้ามากราบแล้วก็ได้มาฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่เทศเทศรังสีของเราก็เป็นที่ประทับใจท่านก็ยึดมั่นว่าเอออันนี้แหละคือครูบาอาจารย์ของเราคือครูบาอาจารย์ของคุณแม่คือท่านยึดหลวงปู่เทศเทศรังสีของเราเป็นครูบาอาจารย์จากนั้นท่านก็ได้มาจําพรรษาตั้งแต่ปี2518 จนถึงพศสอง3ันห้าร้อยห้าสิบสามปีนี้ท่านก็ได้มารับนะภาพลงอายุของคุณแม่เก้าสิบแปดปีหนึ่งเดือนสิบสามวันคุณแม่อายุของท่านนะเก้าสิบแปดปีหนึ่งเดือนสิบสามวันแปลว่าท่านมีอายุยืนยาวมากถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามถ้ามีอายุยืนยาวประกอบคุณงามความดีผู้นั้นก็จะได้บุญกุศลมาก แต่ถ้าว่าอายุยืนยาวไม่ใช่ดีทีเดียวนะพอยืนยาวเท่าไหรมีธต่กินเหล้าเมายาท เ, เที่ยวสัมภเวทเมาไปเรื่อยทําความชั่วเสียหายไปมากๆแปลว่าคนนั้นเกิดอายุยาวมาทําแต่ความชั่วความชั่วกับพ่อคุณยาวยาวไปเรื่อยยาวมากๆเพราะเหตุไรเพราะไม่ตายง่ายมีแต่สั่งสมคุณความชั่วแต่คุณแม่ของเราเนี่ยโงข้ามท่านมีอายุยืนยาว98ปีมีแต่คุณงามความดี บริบูจากนั้นทำคอนเสิร์แนะนําสั่งสอนลูกหลานเออแล้วก็มีประวัติของท่านนีของคุณแม่ทา้าวพวกเราได้รับแจกไปแล้วขอให้พวกเราอ่านนะอ่านให้จบทั้งเล่มหนังสือคุณแม่เล่มนี้มีคุณค่ามากหลวงพ่อได้อ่านดูแล้วเออหลวงปู่เทศท่านบอกว่าเป็นผู้หญิงใจสิงเอ่อท่านพูดอย่างนั้นเลยนะเออเป็นผู้แก็งเ่เป็นผู้แข่งเป็นผู้มีความอดทนเออแล้วก็ มีความอดทนแล้วก็ใช้สติใช้ใช้ปัญญาในในการทรองเรือในการของชีพของท่านเพราะนั้นท่านจึงได้เป็นผู้หญิงที่ว่าเป็นที่ยอมรับในหมู่ในคณะในครูบาอาจารย์หลวงพ่อเองก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาในประวัติของคุณแม่เหมือนกันนานๆท่านก็ไปหาหลงพ่อก็ได้มาเยี่ยมเยียนท่านเป็นบางครั้งขาวแต่นานๆแต่หลวงพ่อเอง ก็ถ้าจะว่าไปหลวงพ่อเองก็สนิทหรือว่ า, ารู้ดักเคารพนับถือคุณแม่ชีแก้ว เ, เสียงล้ําอันนั้นก็ชีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้เมื่อคุณแม่ชีแก้วล่วงลับดับขันไปแต่หลวงตามหาบัวท่านก็รับรองว่าคุณแม่ชีแก้วนี่ย เ, เราเป็นยังไงแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นใครว่าความบริสุทธิทธ์หลุดพ้นนั้นเสมอกันไม่ไม่ว่าหญิงไม่ว่าชาย คือความบริสุทธินั้นเหมือนกันถ้าว่าผู้ใดภ า, าวนาอันนี้คุณแม่พิมพาของเราเนี่หลวงพ่อก็คิดว่านับเลื่องเข้าในจุดนั้นเหมือนกันเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงเส้นคงวามาตลอดแต่เมื่อคุณแม่มรณ ะ, ะาภาพกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้ใครๆได้เห็นจากนั้นอาตมาภาพก็เลยได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาที่บ้านห้วยสายการสร้างเจดีย์ของเมชี หลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกันถ้าหาว่าคิดอีกในมุมหนึ่งเขาก็จะว่า ง, งมง่ายแต่ก็เอาเถอะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยืนยันแล้วว่ากระดูกของท่านเป็นพระธาตุเราก็ได้เห็นกับตาของเราอีกว่าคุณแม่กระดูกของท่านเป็นพระธาตุจริงๆเป็นแก้วจริงๆแต่ผ่อนแจกกันไปหลายๆคนก็เป็นกระดูกแต่บัดนี้ต่างคนก็ต่างมายืนยันว่ากระดูกของท่านเป็นพระธาตุเป็นแก้วเพราะฉะนั้นอาตมาภาพยังได้ หาทุนทะครับหรือว่าเจ้าภาพท่านก็ให้ทุนทะครับมาก็ได้สร้างเจดีย์หมดไปท่านรวมกันทั้งหมดทั้งดินทั้งอะไรก็หมดไปยี่สิกว่าล้านเหมือนกันนะพอท่านคณะสัตยาญาติโจมผู้ใดยังไม่เคยเห็นก็ไปดูก็ได้ที่บ้านห้วยทรายเสร็จเรียบร้อยแล้วการสร้างเจดีย์ก็เพื่อเป็นการเชิดชูบูชาฝ่ายอุบาสิกาคือฝ่ายผู้หญิงถ้าหาว่าอย่างผู้ชาย แต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นพ่อแม่ปูบาจานในที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่มั่นก็มีเกือบทุกองค์พระเจดีแต่ฝ่ายผู้หญิงนี่ยังไม่มีเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็เลยมาคิดว่าฝ่ายผู้หญิงถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเอาจริงเอาจังก็สามารถที่จะบุบพ้นจากอาสวักิเลสเป็นพระอรหันต์ได้จึงได้สร้างพระเจดีขึ้นมาเป็นการเชิดชูบูชาฝ่ายบาศิกาฝ่ายผู้หญิง เอาเป็นตัวอย่างน ะ, ะจึงมีเจดีของคุณแม่ชีแก้วนะอันนี้ก็คือประวัติของคุณพ่อแม่ของคุณแม่คุณแม่ชีแก้วและคุณแม่ชีพิมพาคุณแม่พิมพาเนี่ยหลวงพ่อก็ยังศึกษาด้พูดเกินเกินเพราะลวกพ่อเองก็ไม่ได้สนิทสนมมากอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของ พวกสิทธิ์ญาติสิทธ์ลูกหลานทุกคนจะช่วยช่วยกันคิดกันพิจารณานะและกะการปฏิบัติตัวของคุณแม่ชีพิมพานในอ่านดูในประวัติของท่านแล้วท่านเอาจริงเอาจังจริงๆท่านเดินจงกรมนั่งภาวนาเป็นชีวิตจิตใจจริงๆถ้าท่านไปเห็นชีที่ต่างๆอยู่ในประวัติของท่านไปเห็นชีตาข้าวหวังไปให้ชีแครขอบ้างท่านบอกโอ้ทาไมทําให้เสียเวลาขนาดนี้บวชมาทั้งที ยังมาติดมาข้องอยู่กับเรื่องราบเรื่องยศเรื่องเงินเรื่องทองขนาดนี้เหรออันนี้คุณแม่ชีแก้วลักษณะนั้นเหมือนกันท่านบอกเออทําไมเรามาบวชแล้วนา่าจะจ้า ง, งอกตั้งใจปฏิบัติ์จ้างอกตั้งใจภาวนาถ้าเราอยากจะรวยอยากจะมีเงินเราเป็นคารวะก็หาเอาสิมีช่องทางถึงเยอะแยะทำมาค้าขายแต่บัดนี้เราทิ้งเท่าเราทิ้งสิ่งเหล่านั้นหมดแล้ว เราน่าจะตั้ง อ, อกตั้งใจมาภาวนาปฏิบัติถึงยังไงก็ไม่ตายอยู่แล้วเพราะว่าพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็ดูอยู่แล้วเราจะไปกระเสือกกระสวนวุ่นวายไปหาอะไรทางด้านวัตถุเงินทองอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องของชีะอันนี้ก็คือคุณแม่ฉีแก้วท่านก็แนะนำสั่งสอนพวกชีทั้งหลายที่เข้าปปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติอยู่กับท่านแล้วก็ขอให้พก ชีทั้งหลายที่นั่งอยู่ต่อนหน้าหลวงพ่อเนี่ยฟังเอาไว้เนะแล้วก็ให้ยึดแนวแถวของคุณแม่ชีพิมพาเอาไว้ถ้าว่าพวกเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วชาวบ้านเขาก็กราบเราด้วยความสนิทใจแต่ถ้าพวกเราทําตัวไม่ดีนะเออทําตัวไม่ดีคล้ายๆกับว่าเป็นเมชีขอนน่นขอนี้แผลโน่นแผลที่ตะก่อนเคยมีนะแต่ยุคนี้รู้เสือบ่าไม่ค่อยเห็นหรอกแต่วัายุคปองก่อนมีนะเออ ยุคก่อนๆเคยมีเพราะฉนั้นชีเนี่ยถ้าว่าพูดถึงชีแล้วด้ยมากพวกที่เข้าวัดเข้าวานี่ก็อักกระอวนว่างั้นเ อ, อไม่อยากจะบวชเพราะเห็นว่าพเห็นว่าผู้บวชมาก่อนนั้นทำตัวไม่ดีให้เห็น เ, เป็นที่เป็นที่ไม่ยอมรับของคนทั้งหลายแต่ทีนี้มาถามถามคุณแม่ชีแก้วทีนี้ลงพ่อก็ได้นั่งถึงได้ถามเออคุณแม่อันนึงบวชกับไม่บวช อันไหนดีกว่ากันนะหลวงพ่อก็ได้ถามนะอันไหนอันหนึ่งบวชอันหนึ่งกับไม่บวชอันไหนดีกว่ากันคุณแม่คุณแม่ชี้แก้วท่านบอกว่าถ้าบวชถ้าจริงจังและจริงใจถ้าบวชมาเพื่อเพื่อปฏิบัติบวช ด, ดีกว่านะเพราะเหตุใดเพราะว่าเราเป็นคารวะใส่ชุดดําขาวกว็เถอะเจ็ดใจมันยังบ็อกแบ๊กมันยังออกออกข้างนอกนยังจะไปเที่ยวที่นู้นจะไปเที่ยวที่นี่ไปที่นั่นไปที่นี่โย่ ถ้าหาว่าเราปลงผมสักใส่ชุดขาวสักมันเป็นเอกลักษณ์ของการปฏิบัติธรรมอย่างเข้ามาวงในสุดแล้วเพราะนั้นจะไปที่ไหนก็ต้องได้คิดเพราะนั้นมันเป็นการเป็นรั้วกัน้นทางการกระทำของเราแล้วพอเราถ้าตั้งอก ต, ตั้งใจภาวนาจิตใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะมันตัดความคิดความปลงออกไปข้างนอกได้แล้ว อันนี้ก็คือคุณแม่ท่านให้ความเห็นหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะเออใช่คุณแม่พูดถูก嘛นี่แหละแล้วขอให้พวกชีทั้งหลายนะในทั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพวกเราจะพ้นทุกในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียนว่ายตายเกิดได้นะ่นะน่ะแล้วก็ขอให้พวกเราทุกทุกท่านการอยู่ด้วยกัน การอยู่ร่วมกันในหลายหมู่เป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นคณะก็ขอให้มีความพร้อมเพียงให้มีความสามัคคีให้รู้รักสามัคคีกันเอาไว้อันดับแรกในหลักของพุทธศาสนาท่านสอนพวกเราให้รู้จักทานทานะคือการเสียสละการเสียสละนี่ถ้าคาว่าพวกเราดูด้วยกันไม่มีการเสียสละขี้ตะนีทีเหนียวไปที่ไหนไม่รู้จักแบ่งปันอะ คนอยู่ด้วยกันก็ลําบากพ่อแม่อยู่กับลูกก็ไม่ได้ลูกอยู่กับพ่อกับแม่เออพวกเราอยู่กับวงสาคนาญาต์ก็ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าเราไม่รู้จักทานะคือการเสียสละคืนทำทา น, ทา น, ทานอย่างหลวงพ่อเนี่ยการพูดแสดงธรรมอยู่ในขณะนี้หลวงพ่อก็ว่าให้ทําเป็นทานให้ทําเป็นทานให้อามิตทานมีมากมายหลายอย่างคําว่าทานคนํานี้อามิตทานคือการเสียสละ วิทยาทานคือการให้ความรู้แก่เขาแก่ผู้คนคือแนะนำเขาคือแนววิทยาทานคำว่าทานทานคำนี้มีมากมายถ้าคนมีน้าใจมีเมตตาแต่มีการเสียสละอยู่ด้วยกัน ร, ร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีน้ำใจแรงน้ำใจไม่มีการเสียสละแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้พูดอย่างนั้นได้ อันนี้เรื่องศีลพวกเราอยู่ด้วยกันต้องมีกฎต้องมีระเบียบศีลคุ้มครองอย่างพระสงฆ์ก็คือศีล227ศีลคารวาะกะศีล5ศีลอุโบสถศีลชีก็คือศีล8ศีลสำเร็จศีล10อย่างพวกเราได้ฟังได้ได้เรียนได้ศึกษาจากนั้นศีลเนี่ยจะให้ใครใครเป็นผู้รักษาศีลก็คือศีลของพวกเราอยู่ในธรรม ทุกคนจะต้องรักษารักษาศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลศีล น, นี่แหละจะคุ้มครองศีล น, นี่เป็นเครื่องให้พวกเราอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขเพราะพระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าศีลและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นเพราะฉะนั้นขอให้ห ม, มู่พวกเพื่อนน้องนุ่งทั้งหลายไม่บอกไม่กลบบอกกล่าวกครูบาอาจารย์ บอกที่อาจุน้องหนุ่มทั้งหลายพระน้อยหนุ่มทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อเองนไปนักสถานที่ใดหลวงพ่อขอกล่าวบอกกล่าวหรือขอร้องหรือว่าแนะนําพวกน้องๆลูกหลานทั้งหลายบวชเข้ามาแล้วให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติรักษาศีลอย่าให้มีเรื่องราวอย่างที่เมื่อกี้นี่หลวงพ่อก็ได้ยินเพราะหลวงพ่ออยู่ใกล้เอาเพอจวันนูหาแ ถ, แถบนั้นแหะ เขาก็บอกว่าพระทําตัวไม่ดียาบง่งยาบ้าอย่างนี้แหละหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายไม่สบายใจก้อนนั้นท่านผู้ใดก็ตามลูกหลานผู้ใดก็ตามพระองค์ใดก็ตามสามเณรองค์ใดก็ตามถ้าทําอย่างนั้นหลวงพ่อว่าไม่เป็นผลดีทําเสียความเสียหายเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราทําตัวไม่ดีมันเสียหายนะลูกหลานนะการที่จะคิดทํำยังไงถ้าเรา ออกไปแล้วไม่มีใครรู้ว่าเราออกไปแล้วไม่มีใครรู้ว่ามันเสียหายแต่วงการพระพุทธศาสนาไงวัดวาศาสนานั้นเสียหายพระพุทธศาสนาเสียหายแต่พวกเราออกไปแล้วไม่เสียหายหมดไปแล้วแต่พระพุทธศาสนาเสียหายเพราะฉะนั้นพวกเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่ออะไรเข้ามาเพื่อเชิดชูบูชานะพวกเชิดชูบูชาพระพุทธศาสนาไม่ใช่เข้ามาทําลายทําร้ายทําลายพระพุทธศาสนา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อเองกระผมเองอาจารย์เองบอกกล่าวให้พระลูกหลานทุกๆองค์ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยถ้าว่าพวกเราไม่พูดกันถ้าหลวงพ่อไม่พูดก็ไม่รู้ใครจะพูดอีกเหมือนกันหลวงพ่อจะพูดก็พูดจต่พระในวัดขอหลวงพ่อในเมื่อหลวงพ่อขึ้นทำมาสอย่างนี้แหละหลวงพ่อก็ได้ประกาศให้พวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าพวกเราทําตัวไม่ดี อในพุทธบริษัทสีพวกเราทําตัวไม่ดีเอคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีพูดอย่างนั้นได้เๆคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีถ้าเราทําตัวไม่ดีอย่างนั้นถ้าเราไปเห็นปูบาอาจารย์องค์ไหนก็ตามถ้าคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราก็กราบไม่ลงเหมือนกันกราบท่านไม่ลงเพราะเหตุไวยเพราะทํำทำไม่เป็นที่หน้าเคารพนับถือเลื่อมใสแต่ตัวของเราเองนี่ถ้าเราทําตัวไปดี เราจะกราบเราลงใหม่ให้ถามเราว่าถ้าเราทำตัวไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเราจะกราบเราลงใหม่ถ้าเรากราบขนาดเรากราบตัวตัวงเราไม่ลงเราจะให้คนอื่นมากราบเราได้ยังไงเพราะเราเป็นผู้ไม่มีสิทธนะเพราะนั้นคนที่กราบไม่ใช่กราบศีรษะล้นกับผ้าเหลืองเท่านั้นนะกราบคุณธรรมกราบศีลธรรมพวกเราเพราะนั้นขอให้พระลูกพระหลานพระน้องพระนุน่นทางหลาย ให้เป็นผู้มีศีลมีธรรมนะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าไปหาว่าหลุงพ่ออินพูดปัจจายในที่ชุมชนไม่ใช่ถ้าพวกเราไม่พูดกันพุทธบริษัททั้งสี่ไม่พูดกันถ้าพระสงฆ์อุบาอการไม่พูดไม่ตักเตือนซึ่งกันและกันแล้วแล้วใครจะมาตักเตือนเราพวกอื่นไม่ได้อยากจะเห็นพวกเราจีบหายท่านนะ่ะถ้าพวกเราไม่ตึกตักเตือนกันเพราะฉะนั้นการกล่าวตักเตือนกันนี้อย่าถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้ขัดขวาง ขัดขืนแล้วขัดเคืองในจิตใจไม่ใช่ให้พวกเราทำใจให้เป็นกลางๆให้ฟังเอาไว้ถ้ามันทำอย่างนั้นเสียหายจริงๆนะในองค์การพระพุทธศาสน า, าของเราสื่อต่างๆเขาประโคมนะไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์อะไรๆเขาประโคมข่าวออกมาหนังสือพิมพ์ไม่รู้กี่ฉบับนะเขาประโคมข่าวว่าพระไม่ไดีอย่งายงนั้นพระไม่ดีอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์ได้ยินแล้วก็เออไม่สบายใจ แต่ตามไม่จริงหลวงพ่อก็ย้อนไปอีกว่าไม่น่าจะพูดหรอกไม่น่าจะทําไม่น่าจะประโคมข่าวเพราะว่าผู้ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนานี่ผู้ที่ทําอย่างนั้นเราก็ควรจะสืบดูประวัติประวัติของท่านองค์นั้นเป็นยังไงไเคยเคยเป็นคนดีมาก่อนไหมถ้าว่าเป็นคนดีมาก่อนเป็นที่จอมรับพ่อแม่เออลูกคนนี้ดีจริงๆเข้าไปบวชในพพุทธศาสนาบวชแล้วทําไมทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมจึงเลวอย่างนั้น ทำไมจึงทําไม่ถูกอย่างนั้นก็แสดงว่าพราะพุทธศาสนานอบรมให้เป็นคนดีให้เป็นคนชั่วแ่า เ, เพราะเหตุไดเพราะว่าคนดีๆมาแล้วมาบวชในพุทธศาสนาเสียหายแต่ถ้าเราสืบไปดูแล้วสืบดูประวัติดูใช่ว่าไอ้คนที่เขามาบวชที่ทําให้เสียหายนั้นอะ่ะแ่าแต่ก่อนเป็นยังไง เ, เหลือขอของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหมสังคมเอาไม่อยู่แล้วใช่ไหม พอเข้ามาบวชแล้วจะเป็นพระที่ดีเลยมันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้นะถ้าหาว่าตัวเองบวชเข้ามาแล้วฝึกหัดดัดนิสัยขัดกลาวตนเองอยากจะคิดในทางชั่วไม่คิดอยากจะทําไม่ทำอยากจะพูดในทางที่ชั่วไม่พูดแหมเป็นผู้ฝึกขัดดัดนิสัยอันนั้นจึิจงๆจะเป็นคนดีจะเป็นพระที่ดีได้แต่ถ้าว่าบวชเข้ามาแล้วคิดอย่างไรก็คิดตามอําเภอใจ โดยมากอาเภอใจมันจะไหลไปทางต่ําไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรดลงกิเลสมันจะพาไหลไปทางนั้นถ้าคิดไปในทางที่ไม่ดีการกระทาไปในทางที่ไม่ดีมันไหลไปด้วยกันการพูดก็ไปในทา ง, ท, างที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกทุกท่านนะลูกหลานทุกองนะให้คิดเอาไว้ให้สํารวมเอาไว้ถ้าพวกเราทําตัวไม่ดีเสียหายถ้าเราเสียหายไปแล้วมันเสียหายแต่เรานะ แต่เราอยู่ในพระพุทธศาสนามันเสียหายวงการเสียหายพระพุทธเจ้าเสียหายพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเหมือนกับน้ําใสสะอาดเป็นบ่อคนเข้ามาหิวกระหายเข้ามาแล้วก็มาศึกษาแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติต่างคนก็ต่างได้รับความร่มเย็นเป็นจุกทางจิตทางใจการเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นจุกไปหมดเพราะหลักพุทธศาสนาคุ้มครองศาสนาเป็นผู้ให้ความร่มเย็นเป็นจุกแต่พวกเราเข้ามาแล้ว ทำตัวไม่ดีคล้ายๆว่ามากวนน้ำให้ขุน่นนะเออมาถุยน้ำลายลงในน้ำทำให้น้ำศพกระปรกไปหมดใครจะเข้ามาบวชก็กระอกักกระอวนคนดีจะเข้ามาบวชก็โอ้ยเออไม่รู้จะบวชทำไมเพราะเรื่องรามกจกเปรตในพุทธศาสนาในพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินไม่เว้นแต่ละวันสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทัน้งหลายได้คิดนะอันนี้คื อ, ค อ, อถ้าหลวงพ่อไม่พูดก็ยางว่าไม่รู้ใครจะพูดนะ ถ้าหลวงพ่อพูดไปบ่อยจะรุนแรงเกินไปสักหน่อยเหมือนกันแต่หลวงพ่อก็เอาหลับหูลับตาพูดวันนั้นอันนี้คณ ะ, ะแต่ที่นี้มาพูดถึงคณ ะ, ะสัตายาญาติรวมกว็เหมือนกันเลยโดยมากพวกข้าราชการพวกข้าราชการพ่อค้าประชาชนพวกข้าราชการทํางานกินเงินเดือนหลวงพ่อก็เตือนอีกเหมือนกันนะพวกท่านทั้งหลายทํางานทํางานกินเงินเดือนเงินเดือนนั้เป็นของใครเป็นเงินหลวงใช่ไหมใช่เป็นเงินหลวง เงินหลวงเอามาจากไหนเอามาจากเงินภาษีพี่น้องประชาชนเงินภาษีพี่น้องประชาชนเสียภาษีให้เป็นเงินหลวงจากนั้นก็ได้งบออกมาก็จ่ายพวกข้าราชการทุกหมุมทุกเหล่าแล้วพวกเราทํางานมันคุ้มค่าของเงินใหม่อันนี้ก็ให้ถามตนเองอีกเหมือนกันนะพวกเราทํางานเนี่ยคุ้มค่าของเงินใหม่คุ้มค่าของเงินภาษีของพี่น้องประชาชนไหมเราทํางานอย่างนี้เทะเลหลอย่างนี้ ถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมเ่ยนะอันนี้ก็อยากจะให้ถามพวกเราอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าตำแหน่งแต่พระในตำแหน่งพวกข้าราชการด้วยอันนี้ขอให้พวกเราย้อนดูถ้าว่าพวกเราขาดตัวปกป้องพวกเราก็จะพยายามทาให้ดีขึ้นเพราะเหตุอะไรเพราะเราทํางานไม่คุ้มกับเงินทนะ่านเราจ้างเราเราก็ไม่กล้าจ้างเราถ้าทํางานอย่างนีนะ้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะธรรมะของพระพุทธเจาเโอปัญิโกนะ ถ้ากณรศรัทธาญาติโยมที่นี่จะทําอะไรคิดอะไรหลวงพ่อก็อยากจะกล่าวตักเตือนอีกเหมือนกันคิดอะไรเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเรามาไปใส่ใจเขาอย่าไปคิดในแง่ว่านิติศาสตร์รัฐศาสตร์เออะไรที่เขาพูดมาสับใหม่ๆอเอเขาว่าการปกครองแบบอีกอย่างตามไม่จริงจะเป็นศาสตร์ไหนก็เถอะการอยู่ด้วยกัน เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราคิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไปเบียดเบียนเขาเขามีความรู้สึกอย่างไร อ, อย่างที่หลวงพ่ออยู่ในป่า ด, โดงโพงพ ย, ย์หลวงพ่อหลับตาคิดนะถ้าลืมตาคิดคงจะกว่านี้ว่มือนกันเะอันนี้ขนาดหลับตาคิดนะหลับตาคิดเออย่างทุกวันนี้บ้านเมืองทุกวันเนี่ยไปอยู่ที่ราชประสงค์น่ะ หลวงพ่อก็ไม่เคยเห็นนรสัตประสงค์ประสิงแต่เขามาพูดมนหนาหูขาดนันนรสัตย์ประสงค์ประสิงน่ะถ้าหากว่าไปอยู่ที่นั่นน่ะคนที่อยู่ที่นั่นเขาทํามาค้าขายอยู่ที่นั่นเขาทํงง า, า, ายังไงเขาจะค้าขายยังไงแต่สมมติว่าเขาเหล่านั้นมาล้อมวัดหลวงพ่ออินละ่ะหลวงพ่ออินจะมีความรู้สึกยังไงหลวงพ่อหลับตาคิดนะแต่ถ้าหากว่าเวลาเดือนกฤษภามิถุนา พวกลกูกหลานไปทําไร่ทํานาไปทํารัว้วทําสวนแต่มีคนไปปิดสักไม่ให้พวกเราไปทำรัว้วทําสวนทําไร่ทํานาอาชีพของของเราเราจะมีความรู้สึกยังไงเราจะหัวกินดีเออดีประเดี๋ไปทํานาก็ดีอย่างนั้นใช่หรือไม่เรื่องเราเสียใจถ้าเมื่อเสียใจว่าโอ้เขาทำมาม า, มาปิดถนนพนทางเราไม่ให้เราไปทํารัว้วทําสวนทําไร่ทํานาเพราะชีวิตของเราก็อยู่กับไร่กับนากับรั้วกับสวนเราจะกินอะไรเนี่ย สิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายคนในชาติทั้งหลายคิดเหมือนกันนะคือสรุปแล้วก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าพวกเราคิดดังอย่างนั้นได้หลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราเห็นแก่ตัวนะหรือคนไทยจะทุกข์ยากลําบากยังไงข้าไม่สนนะแต่พ่อสำคัญ ข, ขอให้ได้ใจใจข่าก็แล้วกันต่างคนต่างคิดแต่ใจข่าเพราะนั่นใจข่านะ ใครอยจะให้ใกล้ชังใจของตนเองทุกคนหลวงพ่อว่าโลกทั้งโลกเดือดร้อนแน่นอนอันนี้หลวงพ่อพูด เ, เป็นพระไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่สีอะไรเาะงั้นหลวงพ่อเป็นพูดในนามสีกลับสีแก่นขนุนสีพระนะพูดในนามของพระหลับตาซะก่อนค่อยคิดจะค่อยพูดอีกต่างหากเพางั้นไม่ใช่ลืมตาพูดนะหลับตาพูดนะเพราะว่าหลวงพ่อเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเขามีความรู้สึกอย่างไร อย่างพวกเราไปปิดถนนหอนทางกูเหมือนกันลุงพ่อว่าทําไม่ถูกนะลูกหลานนะลุงพ่อไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใดทุกยากลำบากอางนี้ไปปิดถนนบางทีพวกเรามีพ่อมีแม่เจ็บไข้ด้ยป่ว ย, วยจะวิ่งไปโรงพยาบาลไปก็ไปถูกปิดถนนสักหรือว่าลูกหรือสาวหรือภรรยากําลังจะคลอดลูกกันเนี่ปวดท้องเต็มคนไปแล้วเป็นยังไงเขาปิดถนนมีความรู้สึกยังไงในใจมันมันร้อนพราวไปหมดโลโหโทโศโธโโธา จากนั้นก็ผูพยาบาทอาฆาตจองเวรเวรมันจะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอย่างนี้แหละหลวงพ่อว่านะพราะฉะนั้นในหลักของพระพุทธศ า, าสนาท่านจึงสอนให้รู้รักให้สามัคคีกันเอาไว้ ใ, หในหลวงท่านตรัสเอาไว้แต่หลักของพุทธศ า, าสนาท่านก็สอนอีกเหมือนกันความพร้อมเพียงสามัคคีของหมู่คณะของสงฆ์เนี่เกิดสุขนะถ้าว่าแตกแยกสามัคคีกันแล้วหาความสงบสุขไม่ได้สมัยหนึ่งพระสงฆ์อยู่ที่เมืองโอสัมพีนะ แตกทะเลาะกันเป็นสองฝ่ายพระธรมะรมกถึกกับพระวินัยทอนวินัยทรก็คือพวกเคร่งวินัยนะคือธรมรมมกถึกก็คือนักเพศเป็นผู้บรรยายเรื่องธรรมะให้แก่พี่น้องประชาชนฟังแต่พวกพวกหนึ่งไปว่าสอนวินัยกันในสองพระสองกลุ่มอยู่วัดที่เมืองโกสัมพีจากนั้นก่อแตกทะเลาะกันพราะพุทธเจ้าประทรับอยู่ด้วย พ, พยยวกพระเจ้าก็ห้ามแต่ไม่ฟังนขนาดพ่อห้ามก็ยังไม่ฟังนะ พระไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะทิศทิพพระนี่นะเนี่ยพระพุทธเจ้าห้าม เ, เรียกธรรมาทั้งสองฝ่ายลูกก่อนสงฆ์ทั้งหลายพวกเธออย่ายินดีในการทะเลาะกันพระสงฆ์เหล่านั้นบอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ด้วยความผาสุกเถิดพระเจ้าข่าพว ก, กผมจะเอาวาทะห้ำหั่นกันเองฮะเออเอาเอาวาทะคือคําพูดห้ำหั่นกันใครจะแน่กว่ากันใครจะเก่งกว่ากันเนี่ยเออพระพุทธองค์ห้ามไม่ฟังพระองค์ก็เลยสเสด็จหนี ปีนั้นนะที่เสด็จไปจำพรรษาป่าเลไลองค์เดียวที่พวกเราเห็นช้างกับลิงปฏิบัติพระพุทธเจ้าเนี่นะนะปีนั้นนะ่ะพระพุทธเจ้าพันจำพรรษาในป่าเลไลแต่หลวงพ่อจะไม่กล่าวในรายละเอียดว่าพระสงฆ์ทะเลาะกันในครั้งนั้นเรื่องอะไรกันเรื่องน้ําอะไรก็บอกเพียง น, น่อยท่านเองเอ้มันเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยงั้นเถอะคนที่จะทะเลาะกันมันเรื่องไม่เป็นเรื่องนะเพราะในสุดพระองค์เลยหนีออกจากวัดในเมืองโกสัมผี ท่านก็เดินทางไปไปเห็นพระ อ, อ, อ, อนุรุทธกิจิริวัคคุที่เป็นเชื้อพระวง์ของพระพุทธเจ้าท่านอยู่ตามลําพังสี่ห้าหกองพระพุทธองค์กับแวะไปเยี่ยมเพราะงั้ไปเยี่ย ม, ยยมตามรายทางเนี่ยเพราะพระได้ยินข่าวว่าลูกศิษย์พักอยู่ที่นั่นท่านก็เข้าไปเพราะเข้าไปเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้แสดงธรรมให้ฟังว่าเออเรามาแต่องค์โสมพีรแต่พระสงฆ์ทะเลาะกันแต่การทะเลาะกันมันไม่ดีนะ พุทเจ้าท่านท่านไปตราที่นั่นเพราะงั้นน่คือมาพูดให้พวกปัวสัมพีฟังพระโัวสัมพีพระพันองค์ปในันทอนห้าร้อยเแล้วก็รรมากรถึง5้าร้อยนี่ไม่ฟังเพราะงั้นน่ท่านก็เลยท่านก็เลยไปพูดอยู่ที่ให้พระสงฆ์ห้าหกรูปฟังเพราะงั้นน่ท่านบอกว่าการทะเลาะวิวาทกันมันไม่ดีนะจีบหายนะเอะมันเคยมีมาแล้วในอดีตชาติในอดีตกรตการเลทาพบ พระ อ, อนุธธนลุทธะกินผลิตะบอกสมัยไหนพระเจ้าค่าพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งมีนกกระจาบฝูงหนึ่งหากินอยู่ในในลานหญ้าในท้องนาในสนามหญ้าคือนกกระจาบฝูงนั้นเลยหลายพันตัวหลายพันอาจจะเป็นหมื่นตัวหลายพันตัวมันไปด้วยกันมันจะมีหัวหน้าอยู่ตัวเดียวนั่นนกกระจาบจกกระจาบฝูงนั้น เวลาจะไปกินหัวหน้าพาลงะมันก็ลงเวลามันจะขึ้นมันก็บอกให้สัญญาณมันจะร้องให้สัญญาณนกสูง น, นก็บินขึ้นพร้อมกันแปลว่าไปมาที่ไหนๆก็มีหัวหน้าตัวเดียวะแต่ต่อมาเนี่ยไอ้รองหัวหน้าเนี่ยมันแข็งข้อไงนจะอยาจะแย่งอยากจะแย่งเป็นหัวหน้าอยากจะแย่งเป็นหัวหน้าเวลาหัวหน้าบอกอยักงไงไอ้ผู้รองอะไกันนะั้น่ะ หัวหน้าพูดอย่างนั้นทางนี้ไม่น่าจะถูกมนันมั่นผิดยังมั่นผิดอย่างนี้เพราะว่าตัวเองมันมีความในใจมันอยากจะเป็นหัวหน้าฮะเน่ยอยากจะเป็นหัวหน้าอยากจะแข่งหัวหน้าอยากแข่งบารมีขวงหัวหน้าทีนี้นก็พูดให้ลูกน้องฟังไอ้คนคนอื่นฟังต่อนล้วก็กระจายไปอีกอย่างนี้กระจายคนนั้นก็พูดนกกําจํานวนนก็เลยแตกเป็นสองฝ่ายกลุ่มหัวหน้ากับกลุ่มก ร, รองกลุ่มรองหัวหน้าเนีกลุ่มรองกับกลุ่มหัวหน้าแต่มันก็ไปด้วยการหางกินด้วยกัน แต่มันกระเทาะกันเนี่ยไม่ลงลอยกันแต่มันเวลามันลงไปเเวลามันขึ้นมามันขึ้นมาแต่มีนายพรานผานนกผานตาขายอยงเงีมันไปดักไว้ในสนามหญ้าเวลานกเหล่านี้ลงไปกินกินพร้อมกันแต่ก่อนหน้านี้พอมันไปกินแล้วนายพรานไปชักตาขายอย่างนั้ น, นชักตาขายให้ตะขายล้อมนกพอล้อมนกหัวหน้าก็สั่งเลยไ อ, อหัวหน้าสั่งตัวเดียวเอ้าบิน พวกเราบินนกกระจอมบินเป็นร้อยเป็นพันเมันขึ้นเพิ่ขึ้นไปนกกระจับนะมันขึ้นไปตาข่ายของนายพรานน่ไปอยู่นะไปอยู่ยอดไม้เหมือนกันเถอะเพราะมันกำลังมันมันมันเออมันมันพอเหมือนนทีนี้ก็นายพรานก็ไม่รู้จะทำยังไงเียเสียเนีตาข่ายเป็นรู้ว่ากี่อันเหมือนกันแต่พอต่อมาถึงนกกระจับมันแตกเป็นสองฝูงเถิดอย่างที่ว่านั่นนะทีนี้นกกระจับหัวหน้าเนี่ยก็ พอตะข่หุม้มอีกอย่างเก่าหัวหน้าก็สั่งเอ้าบินพวกเราบินแต่ลองหัวหน้าเอาใครเกง่งใครบินพวกเราไม่เกง่งยาบินเถียงกันแล้วนะไอ้นบที่เป็นหัวหน้าก็บินขึ้นไปมันก็บินไม่ได้เพราะอะไรเพราะกำลังไม่พ อ, อจากนั้นก็เหนื่อย دة, เหนื่อยก็หยุดพอหยุดเอ้ารองหัวหน้าแสดงว่าพวกนั้นไม่เก่งไม่เก่งจริงพวกเราบินก็สั่งพวก ลูกน้องของตัวเองบินมันก็ไม่ขึ้นอีกอย่างเก่าเพราะกำลังไม่พอผลในสุดก็นายพรานตาข่ายเข้ามาถึงพอดีอจากนั้นมันก็นายพรานก็ลวมตาข่ายเข้ามาด้วยกั น, นทุกไปทุกมาทุกไปทุกมาต่างคนก็ต่างตัวไปตายอยู่ในตาข่ายเจ็บนายพรานเขาไปถอนขนซะเอาลงกระทะซะเป็นอาหารอ ร, อร่อยของนายพรานนบทุกตัว อันนี้แหะคือความแตกแยกสามคัคคีมันไม่เป็นพ้นดีจิบหายจิบหายทั้งหมู่ทั้งคณะทั้งหมู่ทั้งกลุ่มถ้ามีความแตกแยกสามัคคีกันทําไมถ้ามีเรื่อง เ, อาเราเกิดขึ้นก็ต้องหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปารัรบกันหาทางออกเพรกเราอยู่ด้วยกันไม่ใช่จะแข่งดีแข่งเด่นชิงดีชิงเ ด, ง ด, งด่นกันห้ามหันกันนั่นก็ตายทั้งสองทั้งสองฝ่ายยังนกกระจาดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่านี่นะ การแตกแยกสามัคคีกันแย่งกันเป็นใหญ่ตายทั้งตายทั้งฝูงทำกันนะอันนี้ก็คือแล้วก็ท่านบอกว่าการอิจฉาการพยาบาทกันการอาฆาตจองเวรกันก็จิบหายเนาจิบหายเหมือนกันพระเถระเรานัก็เลยถามว่าเป็นยังไงพระพุทธเจ้ากับเรื่องอะไรที่การอาฆาตจองเวรกันจิบหายพระพุทธองค์สอนเป็นนิทานบอกเป็นนิทานว่าสมัยหนึ่ง เออมีอยู่ในชนบทมีป่าหนึ่งป่าดงหนึ่งมีหมีใหญ่อยู่ตัวหนึ่งอยู่ในหากินในบริเวณในป่าดงนั้นพอมันหากินเอ่ออิม่มตอนกลางตอนเช้ามาจอนใกล้สว่างมันก็หาที่นอนมันก็ไปนอนอยู่ใต้ต้นไม้สะโคแก่นะเปอไปนอนใต้ต้นไม้สะโคาจากนั้นกิ่งไม้สะโคกิ่งแห้งกิ่งแห้งของไม้สะคคมันก็หักแกมันหักด้บังเอิญมันหักด้วยอายุของมัน มันก็หักหล่นลงมาใส่หัวหมีเหมอนตกลงมาถูกหัวหมีเหมือนหมีกําลังจะนอนหลับกําลังเออเค็มๆจะนอนหลับมันก็โกรธเหโอ้โหเออทาไมไม้สก๊อ ต, ตัวนี้มันทําไมกิ่งมันทําไมหล่นลงมาถูกถูกหัวเราฮะเออคือหมีมันโมโหเหมือนกะัเอาเถ้าถ้าว่าข่าได้โอกาสเมื่อไหร่ข้าจะเออพยาบาลอาคาดหาคนมาตัดมันให้ได้ไม้ตัวนี้เหมือนน อันนี้ก็คือหมีพยาบาทอาฆาตอยู่ในใจจากนั้นก็หมีก็เดินออกไปไปหานนอนที่อื่นนะพอไปนอนที่อื่นทีนี้พอใช้สายมาทีนี้พวกพวกชาวบ้านเขาเข้าไปหาอแอบรถเครื่องงอนรถนะแอกรถนะั่นน่ะเขาก็เดินเข้าไปในป่ามเีเครื่องเครื่องทัพสัมภาระมีขวานมีมีด ม, มีเลื่อยอะไรเข้าไปที่จะไปหาไม้ในป่าทีนี้พอเดินไปหมีเห็นทีน มีเห็นคนมีก็เลยเดินดุ่มเข้ามาหากนก็พูดพูดเป็นภาษาคนแต่พวกเราจะไปคิดว่าทําไมมีพูดภาษาคนเป็นอันนั้นจะจะจะพิ่งคิดนะอันนี้ก็คือท่านสอนท่านสอนให้พวกเราเป็นแนวความคิดมีถามว่าคุณเข้ามาอะไรในป่านี้คนก็บอกว่าเข้ามาหาไม้หาไม้เพื่อจะทําำหอนรถมีก็บอกว่า ไม้อยู่ในป่านี้เราเที่ยวอยู่ในป่านี้ไม้สพเนี่เป็นไม้ที่เนื่อแข็งที่สุดดีที่สุดเหมาะที่สุดที่จะทำแอกรถงอนรถเพราะนั้นท่านไปเอาถึงไม้ตัวนี้ที่เราจะพาไปจากนั้นเมือนน่อหนีก็เลยบอกให้ไม้ตัวนี้แหละไม้ที่แข็งเออไ อ, อช่างเขาช่างไม้ช่างแอกรถของช่างคนนั้นเขาอูขนาดหนียังแนะนำเราได้เราควรเอาไม้ตัวนี้ละทีนี้เขาก็ วางเครื่องทัระสมพระเร็จแล้วก็จัดการเลื่อยไม้ตัดต้นไม้ต้นนั้นแต่ลุกคะเทวดาที่อยู่ต้นไม้ต้นนั้นน่ะท่านบอกโอ้ทาไมหมีตัวนี้ทําไมจึงมาให้ตัดต้นไม้ของเราตัดป่าศาของเราตัดบ้านของเราก็ธรรมดากิ่งไม้ถ้าไม่เห็นหลน่นลงดินจะเป็นหล่นไปที่ไหนจะไปหลน่นทึ้งฟ้าก็ไม่ได้เราก็ไม่มีกําหนดว่าเวลานั้นเวลานี้นแต่บังเอิญหมีมันนอนอยู่ตรงนี้มันก็หักหลน่นลงไปใส่หัวหมี หมีจะมาพยาบาทอาฆาตจองเวรอย่างนี้ไม่ถูกนะหมีเนี่นะเอาเถอะถ้าข้ามีโอกาสเมื่อไหร่ข้าจะจัดการกับหมีตัวนี้นะเทวดาอาฆาตหมีแล้วนะที่นี่เอพราะการจองเวรกันนะจากนั้นก็หมีตัวนั้นก็พอชี้ต้นไม้เสร็จแล้วก็เป็นนอนสบายเหมือนกันเถอะสบายสบายใจเพราะเหตุอะไรเพราะว่าตัวเองไ ด, ได้ได้เห้นเขาตัดต้นไม้แล้วนะตัดต้นไม้สะเทอที่มันหล่นใส่หัวตัวเองนะ เป็นนอนหลับช่วยตอนนี้ช่างเขาก็ถากถา ก, ถากเสร็จก็เป็นรูปเป็นร่างทิงพร้อมพร้อมที่จะแบกได้แล้วเทวดาลุกขะเทวดาเองแปลงตัวมัเป็นมนุษย์มาก็ถามเออในช่างทำอะไรช่างเขาบอกว่าเออผมมาเข้ามาในป่าเพื่อจะทำแอกรถงอนรถ เ, เพื่อเอาเอาไปใช้เทวดาก็ถามว่าอยากจะให้แอกรถคุณงามไหม อยากให้สวยไหมโวยก็อยากจะให้สวยน่ะทําทั้งทีก็อยากจะให้แอบรถสวยถ้าอยากจะให้สวยนะเอาหนังหมีนะหุ้มหน่อยเอาหนังหมีหุ้มดูสิดำมึมสวยงามเลยมันเลยเออแอบรถมันเลยเออดามึมเลยแหละทีนี้ก็เอ้าจะหาหนังหมีที่ไหนเออเออในช่างบอกจะหาหนังหมีที่ไหนท่านเอาทีน <zet> ด <el> so ้หมีตมันนอนอยู่นั่นน่ะเออหมีมันนอนอยู่นั่น ก็ย่องย่องเข้าไปเอาขวานสับหัวมันเลยพอสับหัวเสร็จแล้วก็ถลกหนังมันมาแล้ยกับเออเอาทั้งแอกรถเอาทั้งหนังหมี เ, เข้าไปในบ้านเลยไปหอหุ้มเลยจะไปยากอะไรเออใช่ไหมนี้กับช่างคนนั้นก็ย่องย่องไปขวานสับหัวหมีเลยงั้นเออดิ้นผาดผาดผาดเสร็จแล้วก็สับจนหัวหมีแหม่แตกตายฉะนั้นก็ถลกหนังออกมาแล้ยกับทาอย่างทุกขะเทวดาบอกนะ จากนั้นเอาหนีระงับหนีกลับไปนี่แหละเพราะพระพุทธองค์บอกว่าชาตกเรื่องนี้สองเรื่องนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องกบกะดาบถ้าแตกสมามัคคีกันแล้วทําให้จิบหายทั้งฝูงและก็นหนีตัวนี้กรับต้นไม้ถ้าผูกพยาบาลอาคาตกันจิบหายทั้งสองฝ่ายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไป จะไปอิจฉาพยาบาทกันอย่ามองกันในแง่ร้ายให้มองกันในแง่เหตุผลทุกคนมันมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นแหละต่างคนก็ต่างมีน้ําจิตน้ําใจต่อกันต่างคนก็ต่างมีเมตตาต่อกันโลกทั้งโล ก, กจะร่มเย็นเป็นถุกถ้าหากวาพวกเราเห็นแก่ตัวไม่ยอมไข่ไม่ยอ ม, มอยอมลดลาวาศอกให้แก่ไข่โลกทั้งโลกเดือดร้อนแน่น อ, น, อนนี่แหละคือการเป็นอยู่นี่แหละหลวงพ่อโค้ดให้มา คือความพร้อมเพียงสมาธิและการเป็นอยู่ทุกอย่างอันนี้คือเรื่องศีล น, นะคือเรื่องศีลทีนีนเเน้เรื่องสมาธิทีนี้เรื่องสมาธิคือแนวความคิดแนวความคิดของหลักในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนอยังไงเรายกตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะหนีออกไปบวชท่านทําอย่างไรพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย จากนั้นก็เห็นสมณะสมณะคือนัก บ, บวชคือเห็นนับบวชในการเป็นอยู่จากนั้นพระองค์ก็ถ้าหากว่าเราอยู่อย่างนี้เราต้องแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายในที่สุดเพราะบรรพักรุษของพระองค์บรนพรบกรุษของเราผูย่าตายายก็ไปหมดแล้วมีแต่ทิ้งสมบัติไว้เป็นทอดทอดเราก็คงจะทิ้งสมบัติไว้เป็นทอดท อ, ดออกไปเหมือนกัน เพรานั้นเราจะทำยังไงจึงจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกถ้าเราอยู่ในเวียงวังนี้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้ตอนนี้นพอออกไปไปเห็นสมณะหคือนักบวชเออนักบวชอย่างนี้ที่นั่งอยู่ตามลาพังถ้าเราออกมาคิดอย่างนี้มานั่งคิดมาไตรตรองด้วยเหตุและผลอย่างนี้เราคงจะมีช่องทางที่จะหาทางพ้นทุกข์ได้ถ้าเราอยู่ในเวียงวงังภารกิจภาร ะ, าร ะ, าระมากไม่รู้เรื่องอะไรตรงที่อะไร ทั้งการปกครองทั้งปกครองภายนอกภายในการค้าการขายทุกขิงทุกอย่างเพื่อให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขต้องดูแลรักษาไม่มีโอกาสที่จะมาคิด เ, เรื่องอย่างนี้ได้เพราะนั้นพระองค์จึงหนีออกจากเวียงวังกลางคืนนะหนีออกจากกลางคืนหนีออกจากเวียงวังจากนั้นของพระองค์ก็ไปอยู่ในป่าดงพงภยัย เป็นนักบวชนะอันนี้พูดอย่างรวบรัดนะเพื่อให้เวลาของเรากระชับนะจากพระองค์เข้าไปบําเพ็ญอยู่ตงหปีอยู่ในป่าลองผิดลองถูกรองถูกถกลองผิดอันนี้คือลองจิตวิทยาเรื่องเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจนะแต่นี้วันเดือน6กเพ็ญเป็นวันสูตรสําเร็จนะพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้วันเดือนเหเพ็ญคือวันนั้นนะ่ะที่พระพุทธองค์บําเพ็ญนึง6ปีสูตรสําเร็จในวันนั้น พระ อ, องค์นั่งสมาธิก่อนพระอาทิตย์จะอัดจงโรงคือพระก่อนพระที่จะตกดิ น, นในวันเดือน6เพนน์นายโสธิยะนำาญาคาผ่านมาไปมอบยาคาให้สิทธะผู้ชาย ข, ของเราพระ อ, องค์ก็ได้วางเกลียยญาคาลงบนแผ่นดิ น, นลงแผ่นดินที่โคลนต้นโพพุทธคยายจากนั้นพระ อ, องค์ขึ้นไปนั่งบนยญาคาเป็นอาชนะและหันหน้าไปทางทิศตะวันออก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 กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกไม่คิดถึงอดีตที่ผ่านมาและก็ไม่คิดถึงอานอาคตที่ยังไม่ถึงให้จิตใจอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เวลานี้เดี๋ยวนี้ให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละพอย่ำคำ่ำจิตของพระองค์เข้าสู่ความสงบอคือใจของพระองค์รวมสงบลปงเป็นหนึ่งคือจิตไม่ปูไม่ปูไม่สร้าง จิตไม่หิวจิตไม่หยจิตไม่กระวนกระวายจิตรวมลงเป็นหนึ่งพอจิตรวมลงเป็นหนึ่งแล้วพระองค์ก็น้อมจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งเกิดยานทัศนะเกิดฌานพอเกิดฌานมาพระองค์ละลึกชาติน้อมจิตที่เป็นฌานละลึกชาติผลหลักคือระลึกถึงเมื่อวานแล้วเรานั่งอยู่ที่นี่อย่างดังอย่างเดียวเนี่ยเรานั่งอยู่ที่นี่เรามาจากไหน แล้วเมื่อวานเป็นยังไงวันก่อนเดือนก่อนอาทิตย์ก่อนปีก่อนเพระองค์ย้อนไปถึงชาติก่อนเป็นหลายๆชาติเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชาติเพราะความรู้ความวิชาของพระองค์นั้นเป็นวิชาของพุท ธ, ธ เ, เราลึกชาติผลหลังได้มากมายเพราะนั้นพวกเราพุทธบริษัทท่านทั้งหลายถ้านับถือพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราตรง เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าไปค้นคว้าไปศึกษาดูแล้วไปทําจิตใจให้สงบดูแลว้วท่านรู้ได้ว่าปุเพนวาสานุจติยานะระลึกชาติผลหลังได้เพราะฉะนั้นพวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญมันสูญจริงไหมก็ให้พวกเราทําอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านพาทำนะนั่งทําจิตใจให้สงบฮนะพอจิตใจสงบแล้วเราจะรูะ้มาพูดถึงเรื่องนี้ ลหลวงปู่เทศนี่แหละท่านพูดที่ท่านพูดให้ที่ถ้ำขามนะท่านพูดให้หลวงพ่อเลยหลวงพ่อไปคาระวะท่านเออท่านลูกหลานด้วยเราพูดเสียงออกแล้วนะเราอยู่ที่หินหมักเป้งมันพูดเสียงไม่ออกยังไงก็ไม่รู้แต่มาที่นี่เราพูดไม่มีเสียงแนละ้วเอาเดี๋ยวเราจะพูดอะไรให้ฟังเราก็คิดว่าท่านจะพูดอะไรนะท่านก็บอกว่านี่นะผู้ใดก็ตามเข้ามาบวชให้าศาสนานี้ถ้าคาว่าทําจิตใจให้สงบยังไม่ได้อจิตใจยังไม่สงบ ผู้นั้นยังไม่รู้ยังไม่เห็นได้ริมรสของพระธรรมเหมือนกับเราเข้ามาอยู่ในร่มต้นมะม่วงแต่ยังไม่ได้ริมรสผลมะม่วงว่ามีรสชาติอย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราเข้ามาบวชคือมาอยู่ในร่มเงาของพระกาสาวพัฒน์พระมอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วทําจิตใจให้สงบได้นี่แหละพวกท่านทั้งหลายจะรู้ได้ว่าจิตใจสงบ ร่มเย็นเป็นถูกเรารู้รสของพระธรรมนะท่านบอกว่านัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีจะรู้ได้ด้วยตนเองนะลูกหลานนะพระลูกพระหลานนะอันนี้หลวงพ่อก็ได้ยินที่วัดทําขามหลวงพ่อประทับใจในหลวงปู่ที่ท่านเทศในวันนั้นนะมันจริงจริงจริงๆอยากให้หลวงพ่อหลวงปู่เทศอันนี้ก็มาย้อนถึงคำทำธรรมส่งสอนของพระพุทธ้าวทีนี้ พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้ ร, รมวันนั้นปุพเพเนวาสานุสติติยานอลึกชาติผลหลังได้เนี่แหละขอให้พวกเราท่านทั้งหล า, ายจะทายญาติโยมทั้งหลายนะอให้เชื่อว่าตายแล้วไม่สูญสิ่งที่ไม่สูญนั่นคืออะไรคือวิญญาณคือใจส่วนร่างกายของพวกเราเนี่ยอย่างคุณแม่ชีของพวกเราเท่านก็แตกตายสลายถึงจะอายุยืนขนาดไหนก็เถอะก็ต้องแตกสลายในที่สุดแต่วิญญาณวใิใจัยของท่าน ถ้าว่าท่านทำเปลใจให้บริสุทธิ์ถุกพนท่านก็เข้าสู่นิพพานไม่เมาเวียนไหวตายเกิดแต่ถ้าว่าเกเรยังอยู่ในใจของพวกเรายังมีเชื้ออยู่ใจของเรายัางมีเชื้ออยู่พวกเราก็จะต้องเวียนไหวตายเกิดอีกนะคือใจคือวิญญาณคือนามธรรมนะ่ะไม่ตายนะไม่สูงแต่รูปธรรมคือร่างกายแตกตายสลายแน่ไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นขอให้พวกเร า, า, าจะทาญาิโยมทั้งหลายให้ฟังเอาไว้นะตอนี้พอถึงเที่ยงคืน เออเือปัจฉิมมยามเพราะพระพุทธองค์นั่งภาวนาคำนรสดูให้ละเอียดลงไปอีกเพราะพอทุทธองค์ได้สําเร็จได้บรรลุฌานเออสำเร็จฌา น, านขึ้นมาอยู่จุตูปะปะตาตญาการจุดติของสรพรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายคือวิญญาณที่พวกเรามาเกิดที่นี่มาอย่างไรพระพอทุทธองค์ก็ดูมาด้วยอะไรพระองค์ก็และจะไปด้วยอะไรพระองค์ก็ดูรู้ เออเพราะมาด้วยอะไรพวกเราเกิดมาเพราะกรรมกรรมคือการกระทําของเราในอดีตถ้าเราทํากรรมชั่วกรรมชั่วตอนั้นอนะ่ะจะพาพวกเราไปเกิดในพบภูมิต่างๆอาจจะไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่เป็นช้างมา้าวัวไก่ไปเกิดเป็นอะไรก็ได้เพราะกรรมชั่วพาไปเกิดนีถ้าว่าพวกเราทํากรรมดีทํากรรมดีกรรม ด, กดีก็จะเกื้อกูลให้ทานรักษาจิตภาวนาตั้ง อ, อกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ คิดก็คิดดีทำก็ทำดีพูดก็พูดดีอยู่ตลอดนะถ้าทามาพวกเราล้มหายตายจากคุณงามความดีบุญกุศลที่เราทำดีแล้วนั้นก็พาญญพ ว, วิญญาณพวกดวงวิญญาณนั้นไปสู่พระโลกภายภาคหน้าก็เป็นเกิดเป็นในทางที่ดีอาจจะไปเกิดเป็น เ, เทวบุตรเทวดาอินพรหมได้ทั้งนั้นไปเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่อุดมสมบูรณ์เพราะเหตุอะไรเพราะบุญพาไปเกิด แต่ถ้าบาปพาไปเกิดนั้มีแต่ตกต่ำ ม, มีแต่ทุกข์พราะพุทธเจ้ากขารู้ว่าจุตูป ป, ป, ป, ป, ป, ป, ปตาตญายการจุติและการเกิดการตายของสรรพสัตว์เป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้เชื่อทำคําสอนของพุทธเจ้าเพราะพุทธเจ้าได้ตัดรู้อะไรในวันเดือนหกเพ็ญจากนั้นก็อาสาวะไคายะญาณญาณอย่างรู้ว่าเพราะพุทธเจ้าหมดกิเลสแล้วราคะโทสะโมหะหุดออกจากพระไทยคือใจของพระองค์แล้ว พระ อ, องค์หุดค้นจากอาสวะกิเนศแล้วชาตินี้เป็นชาติทุดท้ายแล้วจะไม่มาเกิดอีกแล้วนีอันนี้ก็คือวันเดินบเป็นที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ทาะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังฟังแล้วให้ศึกษานะและก็ให้ลงมือประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทั้งนั้นที่ยกำคำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาแนะนํามาชี้แจงให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังพวกเราอย่าเพิ่งเชื่อนะให้ฟังไว้ก่อนและให้ลง ไม่เชื่อเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์นะไม่เชื่อแล้วให้พวกท่านทั้งหลายนํามาประพฤติปฏิบัติดูนะทําจิตใจให้สงบดูจิตใจให้นิ่งดูจิตใจให้สงบเป็นหนึ่งดูนั่งดูนั่งภาวนาดูอันนั้นแหะจะเกิดประโยชน์ถ้าาว่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเฉยๆก็ไม่เกิดประโยชน์แต่เชื่อเชื่อเชื่อเอออย่างเดียวเออแบบงมงายก็ไม่ถูกนะเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้ว แล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านสอนภาษาวกของพระองค์ท่านั้นดูก่อนสารีบุตรที่เราตถาคตพูดไปนี้แนะนําไปนี้ท่านเชื่อไหมภาษารีบุตรว่าอย่างพระเจ้าค่ะเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นําไปประพฤติปฏิบัติดูก่อนในเมื่อข้าพระองค์ได้นําไปประพฤติปฏิบัติดูแล้วข้าพระองค์จะกราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าเทศนาว่าการและบอกกล่าวใครท่านผู้ใดก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้เชื่อทีเดียวนะ ค, คือสอนให้ฟังแล้ว น, นําไปประพฤติปฏิบัติจากนั้นก็เมื่อได้รับมรรคผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนแล้ว<ม>พวกเรายกมือไหว้พระพุทธเจ้าไม่รู้จักจบเลยอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนะครูบาอาจารย์บางองค์หรือจตหาญาตโยมบางท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะพอนั่งภาวนาจิตใจสงบเป็นหนึ่งนะออพอจิตใจสงบเป็นหนึ่งจิตใจได้รับความสงบพร่มเย็นเป็นสุขนะโอ้โหพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสมบงบไม่มีโอพระพุทธเจ้ารู้ได้ยังไงเห็นได้ยังไงพูดจริงๆถูกต้องจริงๆผู้ที่ปฏิบัติถึงแล้วจะรู้ได้ด้วยตนเองเพราะนั้นขอให้ะน า, า, ทายทถาญาติโยมทุ ก, ท, กท่านที่ได้มางานศพของคุณแม่ชีของพวกเราไม่ชีพิมพาวงอุดรมของพวกเราขอใหอ้ทั้งอกตั้งใจ อ, อย่าตั้งอยู่ในความประมาท เพรชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนหลวงพ่อไปในะสถานที่ใดหลวงพ่อจะบอกว่าเออพวกเรานะ่ะก่อนมาเกิดนะยงบรรทูนเขาเขียนวีซ่าให้พวกเราแล้วนะะไม่ว่าใครทุกคนเออเขียนวีซ่าไปแล้ว อ, อนายนั้นนางนี้ไปเกิดแล้วนะนะแต่วันดีคืนดีเขาก็จะส่งวีซ่ามาให้เราเออเอาสมควรละมาอยู่ในเมืองมนุษย์เอากลับเมืองกลับบ้านได้แล้วแต่ใ้เมื่อ เขาให้กลับเราก็ต้องเดินทางกลับบ้านเองเอ่อย่างคุณแม่พิมพ์พาเนี่ยถึงอายุ98ปีก็เถอะท่านได้รับวีซ่าแล้วโยมทูตส่งวีซ่าให้ท่านแล้วท่านก็เดินท่านก็ได้กลับไปแล้ววันนี้แหละพวกเราก็จะส่งขึ้นเครื่องแล้วนั่นแหะเอ่แล้วคุณแม่ก็คงจะไม่กลับมาอีกแล้วนั้นในร่างนี้ถ้ากลับมาก็คงกลับมาในร่างอื่นว่างั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่พวกเราจะไปสู่ปารโลกภายภาคหน้านะั้นพวกเรามีเงินหรืออย่าง เอออันนี้แหลนนะําคัญนะเรามีบุญกุศลหรือยังถ้าเราไม่มีบุญกุศลเราอย่าไปชราใจนะอย่าไปนอนใจนะตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าเราไม่มีบุญเออถ้าเราตายไปแล้วบุญกุศลเราไม่มีเพราะเราไม่ได้สั่งสมเอาไว้ไปเกิดชาติหน้าเราเปิดเหมือนกับคนไม่มีเงินเออคุณจะได้ไปอยู่เมืองนอกแล้วนะเอ่อีท็ดดูกระเป๋าของตัวเองไม่มีเงินเลย พวกเราคิดดูกันแล้วกันว่าพวกเราจะมีความสบายใจได้ไหมไปไปเมืองอื่นเขาจะมีความสุขไหมเพราะเราไม่มีเงินคนไม่มีเงินก็เหมือนคนไม่มีบุญเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่พวกเราได้สั่งสมไว้นี่แหละจะพาเราไปสู่ปารโลกภายภาคหน้าถ้าไปได้วยความยิ้มแย้ ม, ยมแจม่มใสแต่หลวงพ่อเองมั่นใจคุณแม่ของเราเนี่แปลว่าเงินเต็มกระเป๋าทั้งเพชรนินกินดาพร้อม ถึงท่านจะออกจากภพนี้ชาตินี้ไปก็เถอะท่านจะมีแต่ความสุขความเย็นใจเพอเผๆท่านอาจจะพ้นภ พ, นพนไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกอที่เราก็ไม่กล้าฟันธงถึงขนาดนั้นเพราะเราก็มีแต่เชื่อฟังแต่แนวแถวของท่านนั้นหลวงพ่อเชื่อมั่นในใจของหลวงพ่อเชื่อมั่นว่าท่านต้องเป็นพระอริยะแล้วนะแล้วก็ให้พวกเราคอยดูกันแล้วกันเมื่อท่านร่วงรับไป เ, เมื่อาเราเผาเ ไอ้ อ, อธิธาตของท่านเผ่าร่างของท่านแล้วไอ้อก็ดูของท่านนะ่ะเป็นเป็นชี้เป็นที่ชี้บ่งบอกให้พวกเราได้ดูได้เห็นนะไ อ, อ้เดี๋พ่อมั่นใจนะผูพ่อมั่นใจเพระคุณแม่ของเราเนี่ยเป็นท่านหนึ่งละเป็นที่เป็นพระอริยะนะขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้สังสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทเกินไปตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าได้ไปค้นคว้าไปศึกษาไปทดลองดูแล้วจึงมีจึงมีทำคำสอน ออกมาประกาศออกมาเผยแผ่ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาและพวกเราให้ปฏิบัติในหลักของพระศ า, ศาสนากรรมคือการกระทําท่านเน้นหนักเรื่องจุดนี้ไม่มีองค์ไหนพระเจ้าองค์ไหนหรือเทวดาองค์ไหนผู้มีอ ำ, อำนาจอํานาจองค์ไหนจะมาบันโดนบันดาลให้แก่เราได้พวกเรานะั่นแหะทำเอาเองถ้าเราทําดีเราก็ต้องได้รับผลดีถ้าเราทํากรรมชั่วเราจะดีได้ยังไงถ้าเราทํำกรรมชั่ ว, วเนี่ยไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ ฆ่ากันชายาฟินเฮโรอีนอะสิเมันจะดีได้ไหมเขาก็จับเข้าคุกเข้าตารางนะถ้าเรามีแต่ประกาศคุณงามความดีมิตรธรรมคุณงามความดีคุณงามความดีนะเราไปน่าสถานที่ใดมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นถุกเนี่ยตลอดไปในาการพูดในวันนี้เก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาแล้วก็หลวงพ่อได้ยกพระบาลีเบื้องต้นว่าสัพพังเททะ ปรินตังเอวังมัจจานะชีวิตตังแปลความว่าแปลในพระบาลีนั้นว่าชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วเหมือนภาชนะดินภาชนะดินเผาซึ่งต้องแตกสลายในที่สุดคือภาชนะดินเผาถึงจะอายุน้อยอายุมากก็คือ การแตกสลายในที่สุดนี้ก็เหมือนกันชีวิตของพวกเราที่เกิดมาแล้วอันชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายในเที่ยงชีวิตไม่เที่ยงเอเพราะว่าเกิดเข้มาแล้วกว็แก่แก่แล้วกเเะเจ็บแล้วกว็าตายแต่ว่าความตายในเที่ยงแท้แน่นอนเราเกิดมานั่งด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะไม่ตาย ตายด้วยการทางนะั้นลูกไทยจะตายวันไหนท่นเองหลวงพ่อกําลังพูดหลวงพ่อก็จะตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตายที่พวกเราเตรียมตัว เ, เตรียมสะสมคุณงามความดีเตรียมสั่งสมบุญกุศลเอาไว้ถ้าพวกพวกเรามีบุญมีมีกุศลในใจิตในใจแล้วพวกเราจะไปสู่ปรโลกภัยภาคหน้าก็จะมีแต่ความสงบรลมเย็นเป็นจุกอย่างทั้งพระบาลีพุทธภาษิปาปุญญานิพรลโล ก, กัจสมิง ปฏิฐาโหรติปานิหนังบุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัรพสัตทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าการกล่าวทำมาเทศนาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนชายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองพวกเราขอให้ประสบความสุขความเย็นใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม